บอกคว่าหน้าดูนี่แปลว่าไม่ใช่แปลว่าอยากดูะนะแลว่วแหมมันสุดๆเลยนะนะเกิดมาแล้วก็บอกพอคลอดออกมาแค่นั้นแหละอดอยากหิวโอ้ยมาตลอดเลยนะบอกว่าเด็กที่เกิดในบ้านเมืองที่สมัยสงครามนี่มันเดือดร้อนตรงกันข้ามกับผู้ที่เกิดในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าบ้านเมืองสงบร่มเย็นยนะมีแต่ฝนตกฝนทองคำเนี่ยนะที่มีค่าประชาชนไม่เดือดร้อนไม่มีใครยากจนก็เรียกว่าเกิดในสมัยของผู้มีบุญ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 บางคนก็ไปเข้าใจผิดนะว่าโอ้ท่านมีเมีย ม, มากขนาดนี้เลยหรือเขาไม่คิดแต่คาราว่าคนที่คิดอย่างนี้แหละปร ะ, ประกาศถึงว่าจิตใจกลุ่มไหน no. านาะองั้นนะผูกพันกับเรื่องอะไรก็ไม่ทราบคิดอยู่ได้แค่แค่นั้นนะอ่ะนนะจริงๆแล้วพระองค์มีมเหสีอยู่คนเดียวชื่อว่าพระนางรู้จีคั ต, ตาคั ต, ตาเนี่ยแปลว่าร่างกายนะรู้จีแปลว่าหน้าหน้าน้าเพลิดเพลินอ่ะนะแปลว่านางผู้มีร่างกายที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจอย่างนั้น แต่ก็เกิดในตระกูลพรามมาเลยเรียกว่านางพรามมณีพระองค์นั้นมเมื่อบุดบุก็คือโอรสนะเกิดชื่อว่าสัทธวห ะ, ออะนะโอรสของนางรุจิคตาพรามมณีเกิดพระองค์คือพระโพธิสัตว์เห็นนิมิตทั้งสี่ก็ขึ้นคอช้างะนะคอช้างต้นหรือช้างสําคัญช้างประจําพระที่นั่งเนี่ยนะออกอภินิษฐ์สกลด้วยยานช้างผนวดแล้วก็มีบุตรสามหมื่นบวชตาม พระองค์อันบันปชิตเหล่านั้นแวดล้อมก็บําเพ็ญเพยียร6เดือนรวบรวมโพธิปัจจยธรรมรวบรวมสติปัญญานสัมมาปัญญาอิทิบาทอินทรียพละโพชงองค์มัชรหรือว่าวิจัยธรรมะเนี่ยนะอยู่6เดือนเต็มวันวิสาขบุรมีก็สเสวยเข้ามาทุ่ยปายาที่อาคิโซนะพราหมณ์กุมารีหมายความว่าลูกสาวของพราม์ชื่อว่าอาคิโซนะเนี่ยนะถวายซึ่งเป็นธิ่ดาของอาคิโซนะพราหมณ์ พระโพธิสัตว์พักกลางวันณป่าตะเคียนป่าตะเคียนเนี่ยนะจริงแล้วถ้าต้นตะเคียนเนี่ยร่มเย็นดีนะตาตะเคียนเนี่ยร่มเย็นนะใบก็ดกหนาทึบดีก็พักสบายตกตอนเย็นพระองค์ก็รับหญ้า8กรรมที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อว่าชตาตินทุ ก, กะถวายพระองค์ก็เข้าไปยังโคนโพพฤกชื่อว่าต้นอุทุมพรคือไม้มาเดือต้นมาเดือที่มีขนาดที่กล่าวมาแล้ว เป็นต้นมะเดื่อที่พรั่งพร้อมไปด้วยความเจริญแห่งผลด่างทิศทักษิณ น, น, นะนะทรงลาดสรรทัศน์ย่ากว้าง22นั่งคาสมาธิกําจัดกองกาลังมารแล้วก็พระองค์ได้ทศพลยาน น, นะก็คือแปลว่าบําเพ็ญข้อปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนแต่เจริญดําเนินตามวิสุธทธิทั้งเกยียตประการนั่นแหละ น, นะคืนสุดท้ายอย่างไรก็ต้องจะตุปาริสุธทธิสินเนี่ยนะ สมาธิทั้งอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิทั้งรูปและอรูปทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็ปุเพนิวาสานุสติยาระลึกชาติได้รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายพิจารณาปฏิจจสมุบาติทั้งอนุโลมและปฏิโลมแทงตลอดอริยสัตว์โดยนิยต่างๆแล้วก็เท่ากับอภิเสกด้วยสัจจะอภิเสกตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, านะเสร็จแล้วพระองค์ก็แปลงพระพุทธอุทานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ ละเลยแต่แล้วก็ยับยั้งอยู่บริเวณแถวนั้น7สัปดาห์สัปดาห์ที่1โพธิบา ล, ลังสัปดาห์ที่2อานิมิสจเจดีสัปดาห์ที่3ารัตนจงกรมสัปดาห์ที่4รัตนคารเจดีสัปดาห์ที่4้าหกเจ็ก็เห็นตาแล้วแต่จะเห็นสมควรเช่นถ้าพระพุทธเจ้าของเราที่สมมุเจลินบ้างอาชาปาลนิโครธบ้างราชายตนาบ้างนะก็หลายแห่งอีกตามสมควร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 แต่เมืองพระราศีตอนนั้นมีชื่อว่ากรุงสุทัศนนครอยู่พระองค์ก็อยู่ท่ามกลางพิสูจเหล่านั้นประกาศธรรมจักประกาศพระธรรมจักประกาศอริยสัจประกาศข้อปฏิบัติที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์8ที่จักขู่กรณียานกรณีธรรมจักทรงให้เกิดธรรมญาณให้เกิดเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานข้อปฏิบัติอันนั้นก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 ที่เป็นไปเพื่อแทงตลอดทุกสมุทัยนิโรธมัคคะอริยศาสตร์เนี่ยนะทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งอริยมรรคอันประกอบไ ป, ปด้วยองค์8ควรเจริญในอริยศาสตร์สี่ก็มีสัจจยานกิจยานและกะตตยานเนี่ยนะถ้าหากว่าพระองค์ไม่ตรัสรู้ตามดังที่กล่าวมาแล้วก็ปฏิญาณไม่ได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่เนื่องจากตรัสรู้ตามที่กล่าวมาแล้วและก็รู้ว่าบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปเนี่ยนะ ทั้งปัจเจกขณะยานแล้วก็พิจารณาไ้าครวนอย่างละเอียดทีท่วนหมดพระองค์จึงปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ประกาศพระธรรมจักนั้นก็มีผู้ที่ตรัสรู้ตามเห็นอริยสัจตามที่พระองค์แสดงประมาณสามหมื่นโกฏที่เราก็เปิดโลกทางปัญญาให้เกิดขึ้นเนี่ยนะปัญญาก็เกิดขึ้นเห็นอริยสัจธรรมจักโสมีโสดาปฏิมัสกทาคามิมักอนาคามิมักเกิดขึ้นว่า ยังกินจิสมุทยธรรมังยังกินจิเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมาถึงอุปาทานขันห้าหรืออายตนะ12เนี่ยเกิดขึ้นสมุทยะสมุ ท, ทยัยเนี่ยมีเหตุเป็นแดนเกิดนะสับพันธังทุกทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยาแทงตลอดนิโรศรจะกงทุกทั้งมวลล้วนแต่ดับไปทั้งหมดเนี่ยนะก็ตรัสรู้อริยสัจได้ตามพระพุทธเจ้า ต่อมาอีกหลังจากที่ประกาศพระธรรมจักรแล้วพระองค์ก็ทํายะมะกะปาติหารก็คือเกี่ยวกับการเล่าพวกนี้นะเราย่อเทศนาเนี่ยย่อได้ใช่ไหมเทศนาจะหยิบเอาตอนไหนตอนไหนมากล่าวแค่คร่าวๆก็ไม่ยากนะนะนี่ถ้าท่านแสดงละเอียดพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ละเอียดยิบองค์ที่สองละเอีย ด, ย, ย, ดยิบมา28องค์เนี่ยนะโอไม่ต้องไปไหนกันแล้วเนี่ยนะก็เปลกวก็อะไรนะ 84% 00มพระธรรมขันคูณ28เนี่ยเท่าไหรด่ดีโอ้เรียนกัน เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะเขาบอกว่าแค่อักขันเล่าอะไรนะพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาอุปถากะนะมเหสีโอ้ยค่นี้ก็จําไม่ได้แล้วนะจะไปกล่าวมากระทั่งรายละเอียดลงหมดอย่างนั้ น, นอ่ะห้องไม่ต้องไปไหนกันแล้วสูตรนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสที่นั่นเมื่อนั้นอย่างนั้นเนี่ยอ้แค่นี้ก็จําให้ไม่ได้สักสูตรเธอเนี่ยนะนี่สมัยต่อมาหลังจากที่พระองค์แสดงยมกะปาติหารณ์นาครต้นมหาสาละ ใกล้ประตูสุทธรานครพระองค์ก็ยังสัตว์สองมื่นโกรธให้เดิมอมตะธรรมเนี่ยนะคือหลังจากที่พระองค์แสดงยมกะปาฏิหารเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์แสดงธรรมก็มีผู้ตรัสรู้ธรมมากมายอันนั้นเป็นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สองเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระภิธรรมปิดกโปรดเทวดาทั้งหลายที่มาประชุมกันในหมื่นจักรวาล มีพระนางอุตราพระชนนีของพระองค์เป็นประธานก็มีผู้ตรัสรู้ตามสาประมาณหมื่นโกดังที่พระองค์ตรัสเป็นคถาว่าต่อจากสมัยพระพของพระพุทธเจ้ากากุสันทะผ่านไปก็มีพระชินะพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมาณะผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าผู้เจริญที่สุดผู้องอาจในหมู่นรชน พระพุทธเจ้าโกนาคามนะพระองค์นั้นบำเพ็ญบารมีทั้ง1ิบล่วงทางกันดารมีชาติเป็นต้นนะนะกันดานเนี่ยการเกิดเนี่ยมันกันดานแท้แห่งแร้งแท้ก็คือการเกิดการแก่ความตายเนี่ยนะเพราะเกิดมานั้นแหละจึงต้องไปเดินทางที่กันดานไปอยู่ในสถานที่อดอยากถ้าไม่เกิดจะต้องมาอยู่สถานที่กันดานแห่งแล้งและอดอยากไหมพะันการเกิดนี่แหละชื่อว่ากันดานที่สุดแล้วงั้น พระองค้าล่วงทางกันดานคือชาติชารามรณะลอยมนทินคือราคะโทสะโมหะทั้งปวงบรรลุโพธิญาณคือสัพพัญญุตญาณอันสูงสุดเมื่อพระโกนาคมณะผู้นำโลกประกาศพระธรรมจักอภิสมัยการตรัสรู้รมครั้งที่หนึ่งประมาณสามหมื่นโกดเมื่อพระองค์รรยมกปาติหานย่ายีคาติเตียงของฝ่ายปรปักก็คือมีบางยุคเนี่ยนะมีผู้ที่เข้ามาคอยแบบ ทั้งเนบทั้งแนมค อ, อคอยอย่าคอยุแยงตะแขงรั่วคอยสารพัด ท, ที่จะที่จะมาแกล้งอะ น, นะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าแกล้งสารพัดอย่างที่จะทําพระองค์ก็แสดงยงมมกะปาฏิหารอะ น, นะแล้วก็แสดงอริยสัจจะทำเขาเหล่านั้นก็ได้ตรัสรู้ประมาณสองหมืโกดต่อจากนั้นพระชินะสามพุทธเจ้าก็แสดงฤทธิต์ต่างๆเสร็จแล้วก็สเสด็จไปยังเทวโลกประทับนั่งเหนือบรรดุ ก, กัมพลศิลาอาแทนนะนะเทวโลกสวรรค์ชั้นดาวดึง พระมูนีพระองค์นั้นประทับจำพรรษาแสดงพระพิธรรม7คัมภีร์การตรัสรู้ธรรมครั้งที่สองาการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สามได้มีแก่เทวดาประมาณหมื่นโกธบทว่าวิกุปพนังแสดงฤิ์ต่างๆพระผู้มีพระภาคเจ้าทำยะมะกะปาฏิหารใกล้ประตูกรงสุทัศนนครแล้วก็เสด็จไปยังเทวโลกจำพรรษานะ ถ้าแทน่นบรรดุกรรมพลศิลาอาจในเทวโลกถามว่าพระองค์จำภ ร, รษาอย่างไรตอบว่าก็จำรรษาโดยการแสดงอภิธรรมเจ็ดคำพีอธิบายว่าทรงอยู่จำภ ร, รษาแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคำพีแก่เทวดาทั้งหลายในเทวโลกนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระอภิธรรมณนะที่นั้นอย่างนั้นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมก็ได้มีแก่เทวดาประมาณหมื่นโกดแม้พระโกนาขมณนะเนี่ยนะ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 หลังจากนั้นพระองค์ก็ประทับนั่งท่ามกลางที่สุเหล่านั้นยกปาติโมกขึ้นแสดงนาวันมาฆปุรีวันมาฆ ค, ค, คือวันเพ็ญเดือนสมเนี่ยนะวันเพ็ญเดือนสเป็นวันที่พระองค์ประกาศโอวาทปาติโมกสพาาัพปะปะปะสะาการณังกุสละสุปะสัมปทาสะจิตตะประโยธาปานางังเอตังพุทธานาสาสนังเนี่ยนะก็ไปเมื่อไม่นานนี้ก็ได้ไปสวดโอวาทปาติโมกข์กันนี่ยนะ ไปอ่านตามโอวาทปาติโมกย์อาว่าสวดก็ไม่ใช่นะไปนั่งเอากลางถําไงแบบก็กลางตําราอ่านจีไปยากกันเลยสมัยใหม่เนี่ยสีหลอกออกมาทีได้ตั้งหลายชุดก็ไปแจกแจกกันอ่านช่วยกันอ่านอันนี้จะพิมพ์เยอะแหละนะไปช่วยช่วยกันอ่านโอวาทปาติโมกให้จําให้ได้น ะ, ะทีนี้พอถึงในพุทธวงศ์นั้นกล่าวว่าพระโกนาคนามณพุทธเจ้านั้นผู้เป็นเทพแห่งเทพพระองค์นั้นเนี่ย ทรงมีสันนิบาตการประชมพระขีขนาศพผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่อยู่ครั้งเดียวครั้งนั้นเป็นสันนิบาตประชมภิกษุสาวกสามหมื่นผู้ข้ามโอคะหักลานมัจจุได้แล้วคําว่าโอคะเนี่ยนะคำว่าข้ามผู้ข้ามโอคะคําว่าโอคะเนี่ยเป็นชื่อของกิเลสสประการกามโมคะทิถุคะพโวคะและอวิชโชคะ คำว่าโอฆ่ามีความหมายว่าถ้าผู้ใดมีโอฆ่าสเหล่านี้คร่าผู้นั้นให้จมลงอยู่ในวัฏฏะก็เลยเรียกว่าโอฆ่เป็นตัวที่ฉุดให้อยู่ในขันธ์ธาตุอายตนะฉุดเอาไว้ในชาติชาราและมรณะเป็นต้นสิ่งที่มันฉุดที่มันคร่า ด, ดึงให้ไปตามชาติชารามรณะสิ่งนั้นเรียกว่าโอฆ่าผ้าอารหัน์เหล่านั้นข้ามโอฆ่าทะเลทุกเหล่านั้นเสร็จสิ้นแล้วล่วงโอฆะทั้งสี่ ฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราเป็นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปปพระตะกรุงมิทิละนครครั้งนั้นพระองค์พระราชาพร้อมทั้งขราชบริพารสดับข่าวว่าพระโกนาคมนะพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้มาเป็นที่พึ่งเป็นสารณะของสรพพสัตว์พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จมาจนถึงกรุงมิทิละนครพระโพธิสัตว์ก็เสด็จออกไปต้อนรับถวายบังคมนิมนต์พระทศพลเพื่อถวายมหาทาน พระโพธิสัตว์ก็ทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้ประทับจำพรรษาณเมืองมิธิลานคร น, นั้นเสร็จแล้วก็บำรุงพระษ า, าสดาพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกตลอดสเดือนแสดงว่ามีอะไรบ้างก็สร้างตั้งกต่เสนาสนะเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะถวายของมีค่ามากเช่นผ้าไหมผ้าที่ทำในเมืองปันตุนะผ้าทำเมืองจีนผ้ากำพลผ้าแพรผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายเป็นต้นผ้าเนื้อละเอียด ถวายฉลองพระบาทรองเท้าประดับทองบริคารอื่นๆเป็นอันมากพระผู้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโกนาคามณะก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าในกัปนี้นี่แหละท่านจะได้เป็นพระพุเท่เจ้าอีกไม่นานแล้วนะผ่านพระผู้เท่เจ้ากัสสะไปก็เป็นยุคของท่านแล้วเหมือนกัน ครั้งนั้นพระมหาบุรุษนั้นสดับคําพยากร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงบริจาคราชสมบัติอย่างยิ่งใหญ่ผนวดในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสในพุทธวงว่าสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นามว่าพระเจ้าปัปพตะพรั่งพร้อมด้วยมิตรอมากมีกําลังพลและพาหณหาที่สุดมิได้เข้าไปเฝ้าพระผู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับธรรมะอันยอดเยี่ยม นิมนต์พระองค์พร้อมทั้งพระสงฆ์พุทธชินรส ถ, ถวายทานจนพอแก่ความต้องการได้ถวายผ้าไหมทําในเมืองปันตุนะผ้าที่ทําในเมืองจีนผ้าแพรผ้ากําพลานะถวายรองเท้าคือฉลองพระบาทประดับทองแดพระษาสดา พ, พร้อมทั้งภาษาวกพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นประทับนั่งณั่งท่ามกลางสงพยากรเราว่าในพัทธกับนี้ท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า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 ก็จนบอกว่าพอแล้วพอแล้วนะเอามือปิดบาทบอกไม่รับเพิ่มอีกแล้ว น, นะถวายแก่ใครถวายแด่พระศา ส, าสดาพร้อมทั้งสาวกผู้สูงสุดในหมู่ชนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโคโนาคามานะนั้นมีนครที่เกิดชื่อว่าโสภวดีมีกษัตริย์พระนามว่าโสพระตระกูลของพระสัมพุทธเจ้านั้นเป็นตระกูลที่ใหญ่อยู่ในเมืองนั้นคืออยู่ในเมืองโสภวดี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 ก็คือตนมาเดือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสูงประมาณ30สบศอกประดับด้วยพระรสมีเหมือนทองในเบ้าช่างทองเรียกว่าทองที่กำลังละลายคว้างอ่ะ น, นะงดงามดูสีเนี่ยนะสีสวยฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีเิียวพันฉันนั้นในยุคนั้นพระชนมายุ ข, ของพระผู้มีพระภาคเจ้าสามหมื่นปีอ่ะนะพระองค์น ท, ทรงชนมีอายุยืนถึงเพียงนั้นก็ยังชนหมู่มากให้ข้าม โอเะสงสารพระองค์ด้วยพระสาวกด้วยช่วยกันยกธรรมะเจดี JD, อันประดับด้วยผ้าธรรมะเนี่ยนะประดกด้วยทำผ้าธรรมะทรงทาเป็นพวงมาลัยดอกไม้ทมแล้วก็ดับขันทัปรินิพานพระสาวกของพระองค์พิลลาดริดอย่างยิ่งใหญ่และพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประกาศธรรมอันเป็นเสริริทั้งหมดทั้งนั้นก็อันตรธานไปสิน้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้ ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยนะอย่างเราคอยดูนะพวกเรานะอีกห้าร้อยปีนี่จะเหลือชื่อเหลือแท่เหลือเหลือเป็นบัตรในประวัติศาสตร์ว่าไม่เมื่อเมื่อห้าร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะมีนายคนนั้นพระคนนี้เนี่ยยังมากจะเหลือบ้างไหมเฮ้ยเขาโอนทิ้งไปตั้งนานแล้วก็บอกครก <c oughs> แม้แต่ชื่อเขายังไม่ให้เหลือเลยว่างั้นจะกล่าวไปใหญถึงที่เท่าว่างั้นนะเอาไปทํำปุ๋ยหมดแล้วว่างั้นนะสงสารตัวเองเลยเนาะอีกห้าร้อยปีเนี่จะเป็นยังไงเฮ้ยเกิดใหม่ตั้งนานแล้ว สมมติว่าถ้าอายุสั้นๆนะเกิดตายตั้ง5รอบเป็นอย่างน้อยแบบนั้นถ้าอีก500ปีไปแน่นะอาจจะเกิดตายอีกสัก78รอบไปแล้วนะถ้าอีก500ปีเกิดแก่ตายอีก78รอบแล้ลึกชาติไม่ได้นะอย่าว่าแลลึกชาติเลยที่ฟังเมื่อเช้าฟังว่าอะไรบางยังจําไม่ได้เลยจะกราบยายถึงว่า ล, ลึกชาติ500700ชาติที่ไหนนะ <S <S บอกว่าธรรมเจติยังสมุทรเศรษฐวาเนี่ยนะนะบอกว่าพระองค์เนี่ยปฏิสถานพระเจดีที่สําเร็จด้วย โพธิปักคยธรรมโพธิปักขยธรรมเนี่ยเป็นเจดีขึ้นมาเลยนะใหญ่โตมากนะสติประธานสมมาประธานอิทิบาทอินทรีย์พละอ่าโพธิปักคยธรรมนั้นประดับด้วยธงคือสัจจะสีจะประกาศสติประธานก็ลงที่อริยศาสตร์ประกาศสมมาประธานอิทิบาทอินรีย์พละโพธชงองค์มขก็ลงที่อริยศาสตร์เพราะโพธิปักขยธรรมนั้นนับเนื่องในมขสัจนับเนื่องในอริยมขสัจจะเพราะถ้ากล่าวถึงมขก็แปลว่า ควรกําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยควรละก็ได้ละแล้วนีโรดควรทําให้แจ้งก็ทําให้แจ้งแล้วเพราะอะไรเพราะสร้างเจดีคือโพธิปักขยธรรมไว้ในใจเสร็จสิ้นแล้วเจดี JD คือโพธิปักจยธรรมเนี่ยนะไม่ใช่เขียนติดไว้ที่ภูเขานะแต่หมายคำว่าชารึกเป็นสติปัฏฐานเอาไวใใใใ้ในในไหนในใจเนี่ยนะใ น, ในใจเราก็เรียนสติปัฏฐานสูตรดูว่าจะจาลึกลงถึงใจได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบ น, นะ บทว่าธรรมะปุปภักคลังกตัตตวาทำให้เป็นพวงมาลัยดอกไม้ที่สำเร็จด้วยธรรมอธิบายว่าพระศาสดา พ, พร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกโปรดให้ปฏิสถานพระธรรมเจดีย์คือโพธิปักจิยธรรมเพื่อให้มหาชนที่อยู่ณนะลานพระเจดีย์สำหรับบําเพ็ญวิปัสนาจะได้มานมัสการ นะหลังจากที่พระองค์สร้างธรรมะเจดีคือโพธิปัจิยธรรมให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำการประพฤติปฏิบัติด้วยความเคารพพระองค์ทำกิจเสร็จสิ้นแล้วก็ดับขันปรินิพานานะจริงๆแล้วพระองค์เนะี่ยยิ่งใหญ่มากมหาวิลาโสแปล ว, ว่า ง, งดงามด้วยฤทธิ์อย่างยิ่งใหญ่ทั้งพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกเสริธทำมปกาสนประกาศโลกุตระรมเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะประกาศอะไรประกาศ โพธิปัจคยธรรมคือสติปทานสัมมปรปทานหรือประกาศมรรคสีผลสีประกาศพระนิพพานพร้อมทั้งข้อติบัติเสร็จสิ้นแล้วท่านเหล่านั้นก็อันตรฐานไปกล่าวว่าสุเคนะโกนาคมโนคตาโสวะเป็นต้นอคตาโสวเสวนี่ยนะพระโกนาคมนะพุทธเจ้าผู้มีอาสวะไปแล้วโดยสะดวก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 พุทธบูชาเพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุกระจายไปนะทั่วถิ่นเรียกว่าในสมัยนั้นไปเป็นหมื่นจักรวาลแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราพระาธาตุของพระองค์ก็ไปทั่วหมื่นจักรวาล น, นะนะ เ, เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะน